4.6 ภูมิธรรมของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์วงเล็บเปิด2มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีเก้าวงเล็บปิดการที่รู้ตัวตื่นขึ้นมาได้นี่เป็นจุดตั้งต้นที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตพอรู้ตัวก็ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็เห็นความจริงของกายของใจจนได้ ความโง่อวิชชามันปิดบังได้เฉพาะคนที่ไม่เจริญสติหรอกหากเจริญสติรู้กายรู้ใจเนืองๆนะมันปิดบังเราไม่ได้ตลอดไปหรอกแพ้ได้นะแต่ไม่แพ้ตลอดไปหรอกวันนี้ยังล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรขยันรู้ขยันดูหัดสังเกตกายสังเกตใจว่าเป็นของถูกรู้ถูกดูทําไปเรื่อยมันไม่แพ้ตลอดไปหรอกถึงวันหนึ่งมันก็ชนะบ้างแหละพอได้พระโสดาบันนะมันก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะ ส่วนมากแพ้พระโสดาบันยังรู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกกิเลสยังมีกําลังกล้าแค่ไม่เห็นผิดไม่นอกลู่นอกทางไม่คิดว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นเพื่อความพ้นทุกข์นอกเหนือจากการเจริญสติปัฏฐานไม่เชื่อคําสอนใดๆที่เกินจากคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางให้เชื่อมงคลตื่นข่าวว่า น, นี้ดีวิเศษเชื่อพระพิคเนตเท้าจตุคามอะไรอย่างนี้ไม่เชื่อหรอกก็รู้ว่าทั้งเท้าจตุคามทั้งพระพิคเนต ถ้ามีอยู่จริงก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เท่านั้นแหละอาจจะว่าเป็นคนดีแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เท่านั้นเองฉะนั้นชาวพุทธเราปฏิบัติกับเทวดาในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์นะถ้าเขาเป็นคนดีก็ยกย่องเขาเท่านั้นแหละไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยพระโสดาบันจะไม่เอาอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยอีกแล้วนอกจากพระรัตนตรยัยก็ต้องคอยรู้คอยดูกายดูใจของเราเรื่อยๆไป ถ้าละความเห็นผิดไปแล้วก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกมีสติปัญญาแก่รอบพอก็ตัดครั้งที่สองตัดครั้งที่สองอาสวะกิเลสก็แหวกตัวออกไปที่เคยห่อหุ้มปกคลุมจิตก็ถูกแหวกออกไปอีกแต่แหวกออกไปแวบเดียวก็กลับมาใหม่นะแต่คราวนี้กิเลสเบาบางแล้วที่กิเลสเบาบางไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าสตินั้นมันอัตโนมัติพอกิเลสไหลแวบเข้ามาสู่จิตนะสติอัตโนมัติทํางานเลยรู้ละลึกทันทีเลย จิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาปัญญาทำหน้าที่อัตโนมัติปัญญาทำหน้าที่ตัดสภาวะตัดกิเลสขาดสะบั้นลงวับๆับไปต่อหน้าต่อตา น, นี้เองแต่กิเลสยังมีเชื้ออยู่กิเลสก็งอกขึ้นมาอีกเหมือนเราตัดหญ้านะมันยังมีรากอยู่ถ้ายังไม่ทำลายรากหญ้าหญ้าก็งอกได้อีกพระสกิทาคามีนะเหมือนหญ้างอกปุ๊บตัดปั๊บเลยหญ้าไม่เจริญงอกงามแต่ไม่ถึงกับตายทีเดียวค่อยๆเหี่ยวแห้งลง มันคล้ายๆอาหารที่สะสมเอาไว้ที่รากมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงคืออาสะวะกิเลสที่คอยห่อหุ้มใจเรานี่อ่อนกำลังลงไปอนุสัยคือกิเลสที่ซ่อนอยู่ในรากหญ้าอยู่ในจิตในใจของเรานี่เองค่อยอ่อนแรงลงเรื่อยๆพอตัดครั้งที่สามคราวนี้นะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันเลยคราวนี้นานๆจะหมองๆสักทีหนึ่งแต่ว่าไม่หมองในกามมันหมองเพราะการปฏิบัติพระอนาคามี จิตจะไม่เศร้าหมองเพราะการแล้วเพราะไม่สนใจการใจไม่ตรึกใจไม่คิดในการพอไม่มีการ ม, มาวิตกก็ไม่มีการมาราคะการมราคะ ม, มันมาจากกา ม, มาวิตกคือการตรึกเรื่องการพวกเราสังเกตไหมการจริงๆเป็นความคิดเท่านั้นเองหัดภาวนานะแล้วสังเกตไปเถอะการเป็นความคิดเท่านั้นเองคิดหลอกๆเลยลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการ ม, มาวิตกมันก็จะไม่มีการมาราคะ ถ้าไม่มีราคะนุสัยในวงเล็บอนุสัยก็จะไม่มีกามวิตกมันสัมพันธ์กันนะถ้าไม่มีอนุสัยทางการ ม, มันก็จะไม่เกิดกามวิตกถ้าไม่มีกามวิตกมันก็จะไม่มีกามราคะจิตใจก็จะไม่ถูกยั่วยวนด้วยการ ม, มันก็จะตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่หลงไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่แต่ตัวใจด้วยกันเองมีแต่ความสุขอยู่แต่เสร็จแล้ว มันยังหมองๆได้เพราะใจมันหนีไปคิดค้นคว้าว่าทําอย่างไรจะบรรลุพระอรหันต์เสียทีมันเลยหมองๆไปอีกหมองๆไปเพราะฟุ้งซ่านในธรรมะไม่ใช่ฟุ้งซ่านในกามนี่ภูมิธรรมของพระอนาคามีนะมันจะไปหมองๆได้อีกแต่พอหมองๆไปพอดูๆมันก็หายจิตก็เด่นดวงขึ้นมาอีกนะปฏิบัติไม่ยากอะไรตื่นเช้าขึ้นมาจิตจะดิ้นรนค้นคว้าอยู่สองสามขณะ ก, กุกหน่อยเดียวพอรู้ทานว่านี่ปรุงแต่งจิต ด, ดีดพางขึ้นมาอีกแล้วเด่นดวงอยู่อย่างนั้นอีกฝึกอยู่อย่างนี้ถ้าบางคนนิ่งนอนใจก็ไปไม่รอดแล้วถ้าสติปัญญาแก่รอบอบรมอินทรีย์ของเราแก่กล้าเต็มที่แล้วมันไม่นิ่งนอนใจเห็นว่าตรงนี้ยังพึ่งไม่ได้ตรงนี้ยังแปรปรวนอยู่ของที่ยังแปรปรวนอยู่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้หรอกเขาจะไม่นิ่งนอนใจอยู่กับตัวจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงนี้เอง ค่อยศึกษาลงไปเรื่อยๆทาอย่างไรมันจะคงที่คงที่เห็นไหมคิดว่าจะทำนะขณะเป็นพระอนาคามีแล้วยังอดไม่ได้ที่คิดว่าทำอย่างไรจะคงที่ได้ค้นคว้าไปทำไปปฏิบัติไปจนสุดสติสุดปัญญาเลยทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จนะจนกระทั่งมันหมดแรงทำฉะนั้นสู้จนหมดแรงสู้นะจิตถึงจะยอมถ้ายังไม่หมดแรงสู้จิตจะไม่ยอมหรอกจิตมันรู้ว่ายังมีทางรอดยังมีทางเลือก มันก็จะเลือกเอาสนองกิเลสนั่นแหละแต่ถ้ามันเห็นเลยสุดสติสุดปัญญาแล้วไม่มีทางทำอะไรให้หลุดพ้นได้เลยหมดการดิ้นรนที่แท้จริงจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันพ้นจากอานาจบังคับจริงๆเป็นอนัตตาจริงๆหรือเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วแต่งแง่แต่มุมบางคนก็เห็นอย่างหนึ่งบางคนก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไตรลักษณ์เห็นอันใดอันหนึ่งถึงจะสลัดคืนจิตให้โลกไปนะหมดความยึดถือจิต พอหมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วและไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกในวงเล็บก็เป็นพระอรหันต์พระอนาคามีบางทีวางจิตนะปล่อยวางจิตได้แต่วางประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ไปหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่เพราะกลัวไม่หลุดพน้นอวิชชายังมีอยู่ยอดนี้รากยังมีอยู่ฉะนั้นยังอยากได้อีกค่อยฝึกไปนะวันหนึ่งเหมือนเราถอนยอดขึ้นมา